ผู้ชายคนหนึ่งนะเรียกว่าเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยตั้งแต่เล็กก็ไม่เคยเจอความยากลำบากมีแต่ความสุขสบายโตขึ้นมาก็ไม่ต้องทำมาหากินนะเพราะว่ามีเงินมากพอนะจากการเล่นหุ้นวันๆก็อาจจะเที่ยวกับเล่นมีบ้านอยู่ มีบ้านหรู อ, อยู่ริมทะเลนะเรียกว่าใช้ชีวิตอย่างสุขสบายถ้าพูดภาษาสมัยนี้คือเสบสุขเรียกว่าตลอดปีอะไรนะตัวก็เองก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนโชคดีนะไม่ต้องทำงานหาเงินมีเงินใช้อย่างมากมายแต่ว่าก็ไม่ได้มีความสุขจริงๆนะเพราะว่า ข้างในนี่ก็รู้สึกมันว่างเปล่าเหมือนกับขาดอะไรไปบางอย่างเขาเรียกภาวะเชนั้นว่ามันมีความรู้สึกตายซากอยู่ข้างในคือไม่มีชีวิตชีวาแต่ก็มีความสุขสบายนะนะกินดื่มเที่ยวเล่นแต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยชีวิตเขาเกิดพิกผันนะหุ้นที่ อลงทุนเอาไว้นี่ปรากว่าราคามันดำไม่ว่าดำดิ่งเลยหุ้นตกมันเกิดเคยเกิดวิกฤตนะอหุ้นตกระนาวเลยเมื่อสิกว่ปีก่อนช่วยเขาพังทลายเลยนะเพราะว่าเงินจำนวนมาหาศาลนี่ก็ ลงทุนกับพุ้นนี่แหละพอพุ้นนี่มันกลายเป็นขยะไปนี่ทรัพย์สมบัติก็หมดเลยสุดท้ายก็เสียรถเสียบ้านเสียแฟนด้วยเพราะว่าแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วก็ไม่มีใครอยากจะคบหาจะไปพึ่งพาพ่อแม่ก็เขาก็ไม่อยากต้อนรับนะเพราะว่า ผู้ชายนี้ทำตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนที่ยังสุขสบายนะคือคิดถึงแต่ตัวเองไม่คบคาสมาคมกับใครเพราะคิดว่าฉันอยู่ได้นะด้วยเงินทองมหาศาลที่มีสุดท้ายนะกลายเป็นคนไร้บ้านไร้บ้านนะเรียกว่าแทบจะใช้ชื่ิเหมือนคนจระจัดเะ ก็พอมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเขาเลยคิดว่าเนี่ยจะใช้เงินก้อนนี้นะเที่ยวแล้วหมดเงินเมื่อไหร่ก็คงจะคิดค่าตัวตายแล้วเพราะไม่รู้จะอยู่ไปทําไมแล้วไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อย่างไงด้วยรู้สึกอับอายนะจากคนที่มีคฤหาบริมทะเลตอนนี้กลายเป็นเมืองคนที่ไม่มีบ้านอยู่แล้ววันหนึ่งเนี่ยขณะที่เขาย้ายไปอีกเมืองหนึ่ง ซึ่งคิดว่าจะเป็นจุดสุดท้ายนะที่จะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็ไปเจอลูกแมวนะผอมโซเลยตัวหนึงอยู่กลางถนนเขาไม่สามารถจะเดินผ่านมันได้สงสารมันก็เลยมันมาเลี้ยงนะดูแลทนุถนอมประกอบประงมมันจนกระทั่งมันเริ่มมีสุขภาพดีขึ้นเนเะขามีความสุขมากเลย เขบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนเลยนะรู้สึกมีชีวิตชีวามีความร่าเริงแจ่มใสอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนความรู้สึกว่างเปล่าข้างในหรือความรู้สึกตายซาข้างในนี่มันหายไปเลยเป็นพ่ออะไรเป็นเพราะามีความสุขนะจากการที่ได้ดูแลแมวตัวน้อยเนี่ย ความเป็นห่วงมันอยากจะช่วยให้มันรอดตายอยากช่วยให้มันมีสุขภาพดีเนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยนะเริ่มคิดถึงคนอื่นมากขึ้นหรือว่าเริ่มคิดถึงชีวิตอื่นนอกจากตัวเองมันพอได้ช่วยแมวตัวนี้แล้วเนี่ยนะแล้วมันก็มีอาการดีขึ้นเรื่อยๆจนทั่งมีสุขภาพดีเขาก็ยิ่งมีความสุขนะ และตอนหลังมักลายเป็นเพื่อนเขานะเวลากลับไปเวลากลับไปที่พักนี่แมวตัวนี้เห็นเขาก็วิ่งเข้ามาหาร้องเรียกเหมือนกับว่าดีใจที่ได้เจอเขาเขาก็ดีใจที่ได้มีเพื่อนนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่แมวแต่ก็มีความหมายกับจิตใจเขามากคงเป็นความรู้สึกครั้งแรกนะคงเป็นครั้งแรกที่มีความเสื่อว่าฉันมีเพื่อน เขาก็เลยพบ ว, ว่าการที่คนเราเนี่ยคิดถึงชีวิตอื่นหรือคิดถึงคนอื่นเนี่ยนะมันทำให้มีความสุขและริงทำให้เขามีความสุขด้วยเราก็พอยมีความสุขไปด้วยก็เรียกว่าฟื้นตัวขึ้นมาเลยนะเริ่มมีความหวังกับชีวิตนะแล้วค่อยแล้วก็เริ่มกลับกลับเนื้อกลับตัวตั้งใจทำมาหากิน พอช่วยมีจุดหมายแล้วนะแล้วก็ชวรู้สึกว่าได้รับการเติมเต็มนะได้รับการเติมเต็มจากการช่วยแมวดูแลแมวอันนี้มคล้ายกับเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะเธอก็เคยร่ำรวยเพราะว่าเป็นดาราที่มีชื่อเสียงมีคนรู้จักมากมาย แต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยนะชีวิตก็พลิกผันนะเพราะว่าอาชีพดารามก็ตอนหลังก็ไม่ค่อยรุ่งโรดเท่าไหร่หางานทำก็เริ่มยากขึ้นแถมผิดหวังในความรักอกหักกุ้ม อ, อกกุ้มใจมากนะกับอาชีพการงานที่ตกต่ำลงแล้วก็ อ, อกหักก็ไปกินเหล้ากินเหล้าเพื่อดับความทุกข์ยิ่งกินก็ยิ่งแย่จนรงทั่งเมาไม่เป็นผู้เป็นคนเลยไม่มีใครอยากจะคบหาก็มีเพื่อนพยายามช่วยนะไปบาบัดนะให้หายติดเหล้าก็ก็ดูเหมือนดีกลับมาออกมาก็ติดเหล้าใหม่ เป็นอย่างี้หลายครั้งจนทังไม่มีคนอยากจะช่วยช่วยไม่ไหวยืมเงินเข้าก็ไม่คืนเป็นนี่เป็นสินมากมายจนกระทั่งเพื่อนๆก็หันหลังให้แต่ก็มีคนหนึ่งนะอยากจะช่วยเธอวันหนึ่งก็เอาเอาลูกแมวมาให้ลูกแมวตัว น, นี้มันพึ่งพึ่งคลอด น, นะแล้วก็เป็นแมวอ่าที่เจอข้างถนนมาให้เธอดูแลทีแรเธอกัปฏิเสธนะ แต่ว่าเพื่อนนี้ก็ทิ้งเอาไวนะ้ที่หน้าบ้านเธอเลยต้องดูแลแมวเพราะการดูแลแมวตัวนี้มันต้องใช้ความพยายามมากนะเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่เมานะแต่ว่าต้องเริ่มที่จะกลับมานะดูแลเริ่มที่จะต้องมาควบคุมตัวเองให้ตื่นเช้านะถ้าเมามากไปนะแมวมันก็ไม่มีใครเลี้ยง ก็เลยต้องเมานะแต่พอดีเกิดความรู้สึกอดกลันนะ้นในการกินเหล้านะแล้วทีละน้อยทีละน้อยนะด้วยความเป็นห่วงแมวเนี่ยก็ทำให้เธอเนี่ยประพฤติตัวดีขึ้นมีชีวิตมีวินัยมากขึ้นท้ายเนี่ยก็เริ่มสั่งเมานะติดเมา่น้อยติดเหล้าน้อยลงนะแล้วก็ดูแลแมวมีความรักมีความห่วงใยมัน ชีวเปลี่ยนไปเลยนะเพราะแมวตัวเนี้ยหรือผู้อย่างหนึ่งก็คือชีวิตเปลี่ยนไปเพราะว่ามีความห่วงมีความรักแมวตัวนี้เป็นครั้งแรกที่นึกถึงชีวิตอื่นนอกจากตัวเองมันก็ทําให้เธอค่อยปรับปรุงตัวเองได้ดีขึ้นจนตอนหลังก็กลับมาเป็นผู้เป็นคนใหม่นะเลิกติดเหล้าแล้วก็มาใช้ชีวิตยอย่างปกติ ไม่เป็นภาระกับใครแถมมีความสุขด้วยผู้ชายคนแรกที่เล่าเนี่ยแกพูดไว้ดีนะบอกว่าคนที่เห็นกับตัวคือขยะนะขยะความในความหมายว่าไม่มีคุณค่าคนที่เห็นกับตัวเนี่ยลึกๆจะรูะ้สึกตัวไม่มีคุณค่าขยะในความหมายนึคือไม่มีคนอยากเข้าหาไม่มีคนอยากเข้าใกล้แต่พอนึกถึงคนอื่นเห็นกับตัวน้อยลงนะหรือว่าแม้แต่จะนึกถึงสัตว์เนี่ยช่วยเหลือสัตว์เนี่ยขยะก็หายไปจากจิตใจรู้สึกเลยมีคุณค่ามากขึ้น แล้วก็ น, นิสัยก็เปลี่ยนคนก็อยากจะคบหามากขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าชีวิตเปลี่ยนได้นี่เพราะเพราะแมวนะที่จริงสามารถจะเปลี่ยนได้เพราะคนด้วยก็ได้นะหากว่ามีความห่วงใยเขาเพราะว่ามันความห่วงใยนี่ก็มันก็ไปกระตุ้นปลุกก ร, รุณาในใจทําให้เกิดกุศลธรรมและทําให้เกิดพลังในการที่จ ะ, ะกลับตัวกลับใจหรือว่าประพฤติตัวเป็นคนดีเอาชนะความใยต่ํา ในจิตใจได้แล้วมันก็เป็นตัวเพิ่มความสุขทำให้มีกำลังใจอยากทำความดีด้วย